การที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะบรรลุผลของการปฏิบัติธรรมได้นั้นจำเป็นจะต้องมีคุณธรรมสนับสนุนอยู่สี่ประการด้วยกันเหมือนกับรถยนต์รถยนต์จะวิ่งไปไหนมาไหนได้จำเป็นจะต้องมีน้ำมัน ถ้าไม่มีน้ำมันรถก็จะไม่สามารถวิ่งไปไหนได้จิตใจของผู้ปฏิบัติก็เป็นเหมือนกับรถยนต์กำลังเดินทางไปสู่พระนิพพานไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตาย ถ้าขาดน้ำมันหรือน้ำมันไม่พอก็จะไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรคำนึงถึงการเติมน้ำมันให้แก่ใจอยู่เรื่อยๆก็คือการเสริมสร้างคุณธรรมที่สำคัญ ที่จะสนับสนุนในการปฏิบัติธรรมให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้เรียกว่าอิทธิบาท4อิทธิแปลว่าความยิ่งใหญ่หรือความสําเร็จบาทแปลว่าทางเดินทางเดินไปสู่ความยิ่งใหญ่ความเดินไปสู่ความสําเร็จ ในกรณีของผู้ปฏิบัติธรรมก็คือการเดินไปสู่การบรรลุมรรคผลนผิพพานนั่นเองจำเป็นจะต้องมีอิทธิบาทสี่ถ้าขาดอิทธิบาทสี่การปฏิบัติก็ย่มล้มเหลวไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรคอยเติม อิทธิบาสสี่นี้อยู่เรื่อยๆอิทธิบาสีนี้มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งก็คือฉันทะความยินดีความพอใจกับการปฏิบัติธรรมวิรยิยความภาคเพียรในการปฏิบัติธรรมจิตตะความจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติธรรมิีมังสา ความคิดข้ควรอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติธรรมนี่นี่คือคุณธรรมสี่ประการที่จะขับดันให้การบำเพ็ญการปฏิบัติธรรมเพื่อมรคผลนิพพานสำเร็จด้เรื่องไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วทำอย่างไรจึงจะทำให้เกิดอิทธิบาตสี่นี้ขึ้นมาได้ อทธิบาสี่จะเกิดขึ้นมาได้คือข้อที่หนึ่งคือฉันทะความยินดีความพอใจที่จะปฏิบัติธรรมก็ต้องรู้ถึงผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมว่ามีคุณค่ามากน้อยเพียงไรมีประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติมากน้อยเพียงไรการที่เราจะ รู้จากคุณค่าของผลที่เกิดจากการปฏิบัติเราก็ต้องได้ยินได้ฟังจากผู้ที่ได้รับผลมาแล้วนั่นเองเพราะผู้ที่รับผลจะอธิบายให้เราได้ทราบถึงประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากผลของการปฏิบัตินี้ก็เหมือนกับทางโลกที่ เราอยากจะได้อะไรอยากจะมีอะไรเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราอยากได้อยากมีนั้นดีอย่างไรวิเศษอย่างไรเช่นสินค้าต่างๆที่เขานำเอามาขายตามท้องตลาดเขาจะขายสินค้าได้อย่างไรเขาก็ต้องมีการโฆษณาประกาศคุณค่า ของผลิตภัณฑ์สินค้าที่เขาเอามาจําหน่ายเช่นรถยนต์เวลาที่เขาโฆษณานี่เราดูโฆษณาแล้วรนนเราก็แทบน้ําลายจะไหลเห็นแล้วก็อยากจะซื้อทันทีนี่เข า, าอยากจะซื้อทันทีก็คือชอบอยากได้ก็คือฉันทะนี่ถ้าเรารู้แล้วว่ารถยนต์ยี่ห้อนี้ มีความสามารถมีความวิเศษมีคุณสมบัติอะไรต่างๆที่ถูกใจเราเราก็จะมีความเพียรที่จะหาเงินหาทองเพื่อที่จะไปซื้อรถยนต์คันนี้ถ้ามีเงินทองอยู่ก็ไปที่บริษัทขายรถยนต์เลยถ้ายังเงินไม่พอก็ขยันทามาหากิน เก็บเงินเก็บทองเอาไว้แล้วใจของเราก็จะจดจ่ออยู่กับรถยนต์คันนี้อย่างเดียวจดจ่ออยู่กับวิธีการที่จะทำให้เราได้รถยนต์คันนี้ถ้าต้องทำงานก็พยายามทำอย่างสุดหัวใจไม่ยอมไปใช้เงินใช้ทองไปซื้อสิ่งของอย่างอื่นจะเก็บเงินเก็บทองเอาไว้ เพื่อที่จะเอาไปซื้อรถยนต์คันนี้ความคิดไข้ควรคือวิมังสาก็จะคิดหาวิธีที่จะซื้อรถคันนี้ให้ได้เร็วๆวิธีไหนที่จะได้รถคันนี้มาเร็วอาจจะต้องขายสมบัติบางชิ้นบางอย่างหรือไปกู้ธนาคารหรือไปอ ไปต่อรองกับบริษัทขายรถยนต์ทําอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้ได้รถยนต์คันนี้มานี่เรียกว่าวิมังสาความคิดค่ายควรจิตตะก็คือใจจดจอ่อจดจ้องอยู่กับรถยนต์คันนี้เพียงอย่างเดียวไม่คิดถึงอะไรแล้วไม่คิดถึงการที่จะใช้เงินไปกับสิ่งอย่างอื่นตอนนี้อยากจะได้รถยนต์คันนี้สุดหัวใจ ยอมทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการซื้อรถยนต์คันนี้ให้ได้นี่เรียกว่าอิทธิบาทสี่สิ่งแรกที่เราต้องมีคือฉันทะความอยากได้อยากได้สิ่งนี้การที่เราจะอยากได้เราก็ต้องรู้คุณค่าของสิ่งที่เราอยากจะได้ว่ามันดีอย่างไรวิเศษอย่างไร พอเรารู้ว่ามันดีมันวิเศษมันก็จะทำให้เราเกิดความอยากได้ขึ้นมาแล้วพอมีความอยากได้แล้วมันก็จะทำให้เรามีความภาคเพียรมีความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติหรือที่จะกระทำการต่างๆเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการมา ใจของเราก็ทุ่มเทให้อยู่กับการกระทำนี้เพียงอย่างเดียวความคิดของเราก็จะคิดอยู่กับการหาวิธีต่างๆที่จะทำให้เราได้สิ่งที่เราต้องการเร็วๆดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำให้เกิดขึ้นมาให้ได้ก็คือฉันทะความอยากได้ในกรณีของการปฏิบัติธรรม เราก็อยากจะได้มรรคผลนิพพานการที่เราจะเกิดความอยากได้มรรคผลนิพพานเราก็ต้องฟังจากผู้ที่ได้มรรคผลนิพพานแล้วคือฟังจากพระพุทธเจ้าก็ดีหรือฟังจากพระอริยสงสาวกทั้งหลายก็ดีท่านก็จะโฆษณาคุณสมบัติ ของมรรคผลนิพพานว่าดีอย่างไรวิเศษอย่างไรรเช่นถ้าพูดถึงเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดถ้าได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันถ้าได้คุยกับพระโสดาบันมันก็จะบอกว่าเป็นโสดาบันแล้วนี่จะไม่กลับมาเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติภายในเจ็ดชาตินี้ จะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วก็ใ น, ในเจ็ดชาตินี้ก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปถึงแม้อาจจะเคยทำบาป ท, ทำกรรมอะไรไว้มามากมายเพียงไรก็ตามแต่ถ้าได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วจะไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเรัะฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นผี ไม่ต้องไปตกนรกนี่คือผลที่จะได้จากการได้บรรลุพระอริยะมรรคอริยะผลขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันในเพียงแต่ได้ยินอย่างนี้ก็ทําให้เราเกิดความอยากได้แล้วมีใครอยากจะไปเกิดในอบายกันบ้างมีใครอยากจะไปเกิดเป็นเปนเป็นเดรัจฉานเป็นผีเป็นสัตว์นรกกันบ้างไม่มีใครอยากไป อยากจะเกิดเป็นมนุษย์อยากจะเกิดเป็นเทวดานี่ถ้าได้บรรลุอริยผลขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันก็จะสามารถาได้รับผลอย่างนี้ภพชาตินี้จะเหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากแล้วถ้าสามารถปฏิบัติขึ้นไปสู่ขั้นที่สองได้คือขั้นพระสกิดาคามีได้ พบชาติก็จะเหลือเพียงพบเดียวชาติเดียวแล้วถ้าปฏิบัติต่อไปขึ้นไปถึงขั้นที่สามได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในการมาพบอีกต่อไปการมาพบก็คือที่อยู่ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั่นเองจะไปเกิดในอรูปภพ รูปประพรมกับอรูปประพร์สวรรค์ชั้นรูปประพรมกับสวรรค์ชั้นอรูประพรมแล้วก็จะเข้าสู่พระนิพพานไปในที่สุดไม่ต้องกลับมาเกิดมามีรูปร่างของมนุษย์ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปแต่ยังยังติดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรมอยู่ถ้าปฏิบัติถึงขั้นที่สี่คือขั้นพระอาหารหันต ก็จะหลุดออกจากภพของวัตจักรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกามภพบรูปรพบหรืออารูปรพบนี่คือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดที่เรียกว่าตายโรคตายภพตายภพคือภพสามภพกามภพบก็คือที่ ที่อยู่ของผู้ที่ยังเสพกามอยู่เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลพระทั้งชนิดหยาบและชนิดละเอียดชนิดหยาบก็พวกมนุษย์หรือเดรชานแล้วก็พวกถ้าชนิดละเอียดก็พวกเทวดาทั้งหลายนี่คือการมาพบส่วนรูปประพบก็ ที่อยู่ของผู้ที่ได้บรรลุรู ป, ปรูปฌานปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้รูปฌปานอารูปประก็ผู้ที่ได้สำเร็จรูปฌปานแต่ยังต้องอยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นพระอริยบุคคล จะไม่เสื่อมลงมาเหมือนกับผู้ที่ได้เพียงขั้นระดับโลกิยะถ้าโลกิยะถึงแม้ว่าจะได้รูปปานอรูปปานก็ยังจะต้องเสื่อมลงไปเป็นเทพเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าเป็นขั้นของพระอนาคามีนี้จะไม่เสื่อมจะรอการบำเพ็ญ ให้บรรลุขึ้นไปสู่ขั้นพะนวิพานต่อไปคือธรรมของพระอริยท์ทุกๆขั้นนี้เมื่อได้มาแล้วจะไม่มีวันเสื่อมเช่นพระโสดาบันนี้จะไม่เสื่อมกลับมาเป็นปุตุชนธรรมดาอย่างพวกเราพระสกิดาคามีก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นพระโสดาบันพระอนาคามีก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นพระสกิดาคามี พระอารหันต์ก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นพระอนาคามีมีแต่จะขึ้นไปเพียงอย่างเดียวขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดขึ้นขึ้นไปถึงขั้นที่ไม่ไม่มีอะไรจะต้องทำอีกต่อไปเพราะได้ถึงได้ผลที่สูงสุดแล้วนั่นเองคือขัน้นพระนิพพาน ขั้นของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันต์ทั้งหลายขั้นที่ไม่มีการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปขั้นที่ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจมีแต่ปรมังสุขขังบรมสุขอยู่ตลอดเวลาถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมจากพระอาาริยเจ้าทั้งหลายหรือจากพระอาหารหันต หรือจากพระพุทธเจ้าเราจะได้ยินได้ฟังธรรมเหล่านี้เมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมเหล่านี้แล้วก็จะทำให้เราเกิดจุดประกายความอยากได้ธรรมเหล่านี้ขึ้นมาก็จะทำให้เราเกิดมีกำลังจิตกำลังใจที่จะบําเพ็ญที่จะปฏิบัติอย่างพระสงฆ์ที่อยู่กับครูบาอาจารย์เวลาที่ครูบาอาจารย์ แสดงทำให้ฟังแต่ละครั้งนี้จิตใจนี้รู้สึกมีกำลังจิตกำลังใจขึ้นมาก่อนที่จะมาฟังธรรมนี้บางทีจิตใจแบบสังกตายไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะเดินจงกรมที่จะนั่งสมาธิกันแต่พอมาได้ยินได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมง กลับไปทีนี้ไม่ทราบกําลังมาจากไหนไม่ทราบเดินจงกรมได้เป็นชั่วโมงนั่งสมาธิได้เป็นชั่วโมงเพราะทำที่ได้ยินได้ฟังนี้ทําให้เกิดความยินดีคือฉันทะนั่นเองเกิดวิริยะเกิดจิตตะวิมังสาตามมาอย่างหลวงตาท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาที่ฟังเทศจากหลวงปู่มั่นนี่ หลวงปู่ม่านนี้เหมือนกับว่าท่านไปเปิดตู้เซฟเอาเพชรเนินจินดาต่างๆออกมาโชว์ตู้เซฟนี้ก็คือตู้พระไตรปิฎกเอามรรคผลนิพพานออกมาแสดงให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ยินได้ฟังก็เหมือนกับคนที่มีเพชรเนินจินดาของน้ำค่าที่เก็บไว้ในตู้เซฟนั่นเอง พอเขาเปิดตู้เซฟออกมาให้ดูเพชรชนิดต่างๆเห็นแล้วก็เกิดความอยากได้เพชรเหล่านั้นขึ้นมาก็ทำให้เกิดความยินดีที่จะไปหาเงินหาทองไปทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้ได้เพชรเหล่านั้นมาเป็นสมบัติของตนบ้างอันนี้ก็เหมือนกันพอหลวงปู่มั่นท่าน เทศนี้เหมือนกับท่านเปิดตู้ของมรรคผลนิพพานออกมาเอามรรคผลนิพพานออกมาโชว์ให้ผู้ที่ยังไม่เคยเห็นมรรคผลนิพพานว่าเป็นอย่างไรเปิดมาให้ดูให้เห็นพอเห็นแล้วก็น้อมลายไหลอยากจะได้ขึ้นมาทันทีเพราะมีใครบ้างที่ยังไม่อยากได้การไม่ต้องเกิดการที่ไม่ต้องไปเกิดในอบายการที่จะ มีภพชาติเหลือเพียงเจ็ดชาติถ้าได้ทำขั้นแรกถ้าได้ขั้นที่สองการภพชาติก็จะเหลือเพียงชาติเดียวถ้าขั้นที่สามก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในภพของมนุษย์อีกต่อไปไปเกิดในภพของพรมแล้วก็บรรลุถึงพระนิพพานไปในที่สุด ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเพราะการเกิดแก่เจ็บตายนี้มันดีที่ไหนเกิดมานี้ก็ทุกข์แล้วเวลาเด็กเกิดออกมาจากท้องแม่นี้เด็กหัวเราะหรือเด็กร้องไห้ออกมาก็ร้องไห้กันทุกคนไม่มีใครหัวเราะเลยไม่มีใครบอกโอ้ดีใจมากที่ได้มาเกิดออกจากท้องแม่มานี้ก็ร้องไห้กันแล้ว พอออกมาแล้วก็ต้องอะไรต้องหายใจล่ะต้องหายใจแล้วก็ต้องดื่มนมรับประทานอาหารแล้วก็ต้องขับถ่ายแล้วก็ต้องชำระร่างกายที่จะสกปรกเพราะต้องมีเหงื่อใครต่างๆในร่างกายเนี่ยมันเป็นกองทุกข์แท้ๆแต่พวกเรามองไม่เห็นกัน ทุกตั้งแต่เกิดมาเลยพอออกมาจากท้องแม่สิ่งแรกต้องทำก็คือต้องหายใจถ้าไม่หายใจก็ตายแล้วถ้าไม่มีลมหายใจเมื่อไหร่ไม่มีลมที่ให้หายใจเมื่อไหร่ขาดอากาศหายใจเมื่อไหร่ก็ต้องตายเมื่อ น, นั้นหรือถ้าขาดน้ำขาดอาหารก็ต้องตายมีแต่ความทุกข์ ถ้าได้น้ำได้ลมได้อาหารก็จะเริ่มตกตกขึ้นไปแล้วก็ต้องไปเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยตั้งแต่เด็กเลยเด็กบางคนนี่เกิดมาก็มีโรคติดตัวมามีโรคหัวใจโรคสมองโรคอะไรต่างๆติดตัวมาทุกตั้งแต่ยาววัยถ้าไม่ทุกตอนเด็กก็ทุกตอนผู้ใหญ่ ทำ่ทุกตอนผู้ใหญ่ก็ทุกตอนตอนแก่ตอนเจ็บตอนตายนี่คือเรื่องของการมาเกิดจะได้พบกับสิ่งเหล่านี้ผู้ที่เห็นหรือเบื่อกับสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่อยากจะกลับมาเกิดแล้วพอได้ยินได้ฟังว่ามีวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดได้ก็จะเกิดฉันทะเกิดความยินดีที่จะปฏิบัติ วิธีนั้นเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะจากพระโอษฐโดยตรงหรือจากพระอริยสงสาวกจะมีฉันทะเกิดขึ้นมาแต่ถ้าฟังจากผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่ฟังแล้วจะไม่ค่อยเกิดฉันทะขึ้นมา เพราะผู้แสดงก็ไม่รู้ถึงคุณสมบัติที่แท้จริงของของมรรคผลนิพพานว่าเป็นอย่างไรบางทีแสดงไปแล้วคนฟังก็สับสนเพราะบางทีก็ไปแสดงว่าถึงนิพพานแล้วก็จะสูญหายไปหมดถ้าได้ยินว่าปฏิบัติแทบเป็นแทบตายพอถึงนิพพานแล้วก็ตัวเองก็จะสูญหายไป มีใครอยากจะไปพันนิพานกันเหมือนทับเก็บเงินเก็บทองมาแทบเป็นแทบตายพอไปซื้อรถคันที่เราอยากได้มาพอขับออกมาปั๊บก็จะต้องความตา ย, มยานน ไ, มไม่มีใครอยากจะซื้อรถคันนั้นนะไม่มีใครอยากจะซื้อถ้ามีเซลแมนบอกว่ารถคันนี้วิเศษอย่างนั้นวิเศษอย่างนี้แต่คนขับนี้พอขับแล้วต้องตายนี่มีใครอยากจะซื้อรถคันนั้นบ้าง ไม่มีใครอยากจะซื้อนี่เป็นเพราะเซลล์แมนไม่รู้เรื่องไปเห็นรถคันแบบเดียวกันเกิดอุบัติเหตุก็เลยเหมาว่ารถคันรถแบบนี้ทุกคันถ้าซื้อออกจากจากโรงแล้วจะต้องจะต้องพังจะต้องประสบอุบัติเหตุทุกคันถ้าไปโฆษณาแบบนี้แล้วบริษัทนั้นก็เจ้งขายรถไม่ออกไม่มีใครอยากจะซื้อรถกันแทนใดพุทธศาสนาก็เหมือนกัน ถ้าเอาคนที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานมาแสดงมาแสดงทำขายไม่ออกคนฟังแล้วก็ไม่เกิดฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาฟังแล้วไม่มีใครอยากจะออกบวชออกปฏิบัติกันเพราะว่าไม่รู้ว่าออกไปแล้วบวชไปแล้วจะได้อะไรกลับคืนมานั่นเองถ้าบวชไปแล้วปฏิบัติแล้ว จะสู์หายไปนี้ใครอยากจะไปปฏิบัติอย่างบ้างนิบานังปรมังศูนยังเนี่ยเขาบอกพอถึงนิพพานเมื่อไหร่ก็ศูญเมื่อนั้นนะหมดตัวเมื่อนั้นหายหมดหายหมดแล้วใครอยากจะไปปฏิบัติให้เหนื่อยให้ยากมันทําไมนี่คือพวกที่พวกตาบอดคําช้างตาบอดห้าคนนี่ไปคําช้างตัวเดียวกัน แตมาเถ like the mm ียงกันปากเปียกปากฉีกว่าช้างเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พวกที่ไปจับหางก็ว่าช้างมันเป็นเชือกเป็นเหมือนเชือกผู้ไปจับท้องก็ว่ามันเหมือนผนังกำแพงผู้ที่ไปจับงาก็บอกว่าเป็นเหมือนหอกผู้ที่ไปจับงวงก็ว่าเป็นเหมือนงูแล้วก็เถียงกันปากเปียกปากฉีก ว่าเป็นมูเป็นงูเป็นเชือกเป็นกำแพงเอเป็นหอกมันก็ถูกทุกคนเ่ยแต่มันไม่ถูกหมดเพราะมันเห็นเพียงบางส่วนเหมือนกับพวกที่ว่าปฏิบัติไปแล้วก็ศูญเพราะไปเห็นว่านิพพานังบาลังสูญอย่างพอบรรลุพระนิพพานแล้วก็ศูนย์ทันทีหายวับไปเลยพระพุทธเจ้าตอนนี้หายวับไปเลย พระอารันตสาวกทั้งหลายหายวับไปเลยไม่สามารถที่จะติดต่อหรือพูดถึงพระพุทธเจ้าเหล่านั้นได้แล้วท่านหายไปหมดนี่ก็พูดแบบพวกตาบอดคำช้างพวกตาบอดคำช้างก็คือพวกที่ศึกษาจากหนังสือแต่ไม่ปฏิบัติเหมือนกับถ้าเราไปเป็นหัวหน้าทัวร์แต่เราไม่เคยไปสถานที่ที่เรา จะพาคนไปแล้วจะบอกคนว่าสถานที่นั้นเป็นอย่างไรเช่นเราไม่เคยไปไปเมืองจีนไม่เคยไปปักเก่งเคยแต่อา่านหนังสือเกี่ยวกับเมืองจีนเกี่ยวกับปักกิง่งแล้วก็มาโฆษณาบอกว่าปักเก่งเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็พูดได้เป็นเพล ง, พงบางส่วนเท่านั้นเองแล้วอาจจะพูดไม่ถูกด้วยเพราะตัวเองไม่เคยไปเพราะปักเก่งมันในแต่ละเดือนแต่ละ เวลามันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นอากาศอากาศในกรุงปักกิ่งบางเวลาก็มีอากาศเสียเยอะบางเวลาก็มีน้อยถ้าไปเจอช่วงฝนตกนี่อากาศเสียมันก็หายไปท้องฟ้าก็โป่งใสสะอาดไปเจอช่วงที่มันไม่มีฝนตกนี่ก็จะเจอมลพิษเจอควันพิษเต็มไปหมด ถ้าคนไม่ได้อยู่ที่ปากเก่งตลอดเวลาจะไม่รู้ความจริงของปากเก่งว่าเป็นอย่างไรหัในใดผู้ที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็จะไม่รู้รายละเอียดต่างๆของมรรคผลนิพพานว่าเป็นอย่างไรบ้างเวลาไปแนะนำคนอื่นว่ามรรคผลนิพพานเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะพูดแล้วทำให้ฟังแล้วสับสนเพราะห้าคนมาพูดก็ พูดไปห้าอย่างห้าแบบกันเหมือนตาบอดคำช้างพอเข้าใจไปไปในคนละแนวกันพอไปอ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็มาสรุปเอาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าเราอยากจะเกิดฉันทะวิริยะเราต้องหาผู้ที่รู้มรกผลนิพพานผู้ที่ ได้บรรลุมากผลผนี่พานอย่างสมัยนี้ญาติโยมก็มักจะมุ่งไปหาพระที่อยู่ตามป่าตามเขากันไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมจากพระที่อยู่ในบ้านอยู่ในเมืองพะอยู่ในบ้านในเมืองท่านก็จะเทศใบลานเอาใบลานเอาหนังสือออกมากลางแล้วก็อ่านให้ฟังฟังแล้วก็งงไม่รู้ว่าอ่านเรื่องอะไร แต่เวลาไปฟังธรรมของพระปฏิบัติพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่อยู่ตามป่าตามเขาอท่านไม่ต้องกลางหนังสือท่านการหัวใจของท่านนี่ออกมาเนี่ยพระไตรปิฎกที่แท้จริงนี้มันต้องอยู่ในหัวใจอยู่ในใจพระพุทธเจ้าไปอ่านพระไตรปิฎกจากที่ไหนมาธรรมที่พระุทธเจ้าทรงสแสดงทั้งหมดที่บันทึกอยู่เนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกนี้ออกมาจากไหน มันก็ออกมาจากใจของพระเจ้าจากใจที่ได้รับการชำระด้วยการเจริญสมถะภาวนารวิปัสสนาภาวนาจนรู้แจ้งเห็นจริงสภาวธรรมทั้งหมดทั้งข้างนอกทั้งข้างในว่าเป็นอะไรก็เป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอริยาาสัจสี่เป็นทุกขสมุทัยนิโรธมรรคนี่พระไตรปิฎกที่แท้จริง อยู่ในใจของผู้ปฏิบัติพระไตรปิฎกหนังสือที่เราอ่านนี้มันเป็นการจารึกคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ออกมาจากพระไทยของพระพุทธเจ้าที่ยังไม่ออกมาไม่ครบถ้วนบริบูรณ์พระพุทธเจ้าเคยหยิบใบไม้ขึ้นมาในกำมือแล้วถามพระภิกษุว่าใบไม้ที่เรามีอยู่ในกํามือนี้ กับใบไม้ที่อยู่ในป่านี้อันไหนจะมากกว่ากันพระภิกษุมองแล้วว่าอา้าวในมือก็แค่ไม่กี่ใบนับได้แต่ในป่านี้มันมากไม่สามารถที่จะนับได้ใบไม้ในป่าก็ต้องมีมากกว่าในใบไม้ในมือฉันใดพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าทำที่เราประกาศสอนทวกเธอเนี้ก็เป็นเหมือนกับใบไม้ในกำมือนี้เอง แต่ธรรมที่เรารู้เราเห็นที่มีอยู่ในใจของเรานี้มันเหมือนใบไม้ในป่าหาประมาณไม่ได้ธรรมที่เราแสดงให้พวกเธอฟังนี้พอประมาณได้เช่นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์แต่ไม่ได้รวมว่าเป็นธรรมทั้งหมดที่ตถาคตรู้ตถาคตรู้มากกว่าเราธรรมเหล่านี้ ดังนั้นผู้ที่จะมาเอาทมที่จ่เล็กในพระไตรปิฎกนี้มางัดข้อกับทมที่อยู่ในใจของผู้ปฏิบัตินั้นก็แสดงว่าไม่รู้เรื่องนั่นเองเช่หนหลวงตาท่านสอนเรื่องท่านเขียนประวัติของหลวงปู่มั่นว่าหลวงปู่มั่นนี้เวลาท่านเข้าสมาธิท่านมักจะมีพระพุทธเจ้าก็ดี พระอาหนต์ก็ดีมาแสดงธรรมมาสนทนาธรรมเออันนี้คนที่อ่านพระไตรปิฎกก็เต้นขึ้นมาเลยในพระไตรปิฎกนี้บอกว่าพระพุทธเจ้าพระอาหนต์นี่ศูนย์ไม่สามารถที่จะติดต่อกับใครได้แล้วนี่เพอ้อเจอ้อหรือเปล่าเนี่แหละเป็นอย่างนั้นคนที่อ่านพระไตรปิฎกกับคนที่อ่านใจของตนเองนี้ จะมีความรู้ความเห็นที่ไม่เหมือนกันคนที่อ่านใจของตอนนั่นแหละเป็นผู้ที่อ่านความจริงคนที่อ่านพระไตรปิฎกนี้อ่านกระดาษคนอ่านก็เป็นหนอนชชยกระดาษไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่านหนังสือเหล่านั้นเพราะไม่นำเอาไปปฏิบัติหนังสือนี้มีไว้เพื่อเอาไปปฏิบัติไม่ใช่มีเอาไว้เพื่อสมวนงิสิทธ ความรู้ว่าต้องเป็นอย่างนี้เพียงอย่างเดียวใครพูดอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่มีอยู่ในหนังสือนี้แสดงว่าผิดหมดแล้วตัวเองเป็นอย่างไรตัวเอง ก, ก็กอดหนังสือตายไปกับกองทุกข์ของความเกิดแก่เจ็บตายกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกไม่รู้กี่แสนกี่ล้านรอบก็จะไม่มีวัน ที่จะได้หลุดพ้นจากการอ่านหนังสือเพลงอย่างเดียวหนังสือนี่เป็นเหมือนแผนที่ถ้าดูแผนที่เราไม่ออกเดินทางจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไรดูไปจนมันตายแล้วก็นั่งอยู่ที่บ้านนั่นเนี่ยอยากจะไปปากเกร็งก็ดูจากนี่ไปขับรถไปปากเกร็งขับไปอย่างไรรู้เส้นทางหมดต้องผ่านประเทศลาว ผานประเทศอะไรไปก็ว่าไปขับไปแล้วเดี๋ยวก็จะถึงปักกิ่งแต่ไม่ยอมออกเดินทางสักทีอยู่บ้านแล้วเมื่อไหร่จะถึงปักเกิ่งกันการศึกษาหนังสือธรรมะต่างๆก็เป็นเหมือนกับการศึกษาแผนที่ดูแผนที่เพื่อจะได้รู้ทิศทางของการเดินทางที่ถูกต้องว่าจะต้องเดินทางไปในทิศไหนบ้างจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไหนบ้าง พอรู้แล้วก็ต้องออกเดินทางอย่างผู้ที่จะมาที่นี่ก็เหมือนกันถ้ายังไม่เคยมาก็ต้องหาแผนที่หรือถามสอบถามคนที่รู้จักทางว่ามาที่นี่ได้อย่างไรถ้าไม่มีคนบอกนี่รับรองมาไม่ถึงเพราะไม่รู้ว่าที่นี่ตั้งอยู่ตรงไหนถนนเส้นไหนพามาให้ถึงที่นี่ได้ต้องดูแผนที่ก่อนต้องถามคนหน่อย แต่ถ้าดูแล้วถามแล้วกลับไม่มาก็มาไม่ถึงอยู่ดีเมื่อดูแผนที่แล้วถามทางแล้วก็ต้องออกเดินทางออกเดินทางถ้ายังไม่ถึงก็ต้องถามต่อต้องดูต่อนังสือธรรมะนี่ต้องมีติดตัวไปตลอดระยะทางของการปฏิบัติเลยหรือต้องมีครูบาอาจารย์คอยบอกทางตลอดทาง พอเวลามาถึงสี่แยกนี้ถ้าไม่เปิดดูเดี๋ยวเลี้ยวผิดทางได้แทนที่จะตรงไปกลับไปเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็จะไปไม่ถูกทางแต่ถ้ามีคนคอยบอกทางหรือคนเลยมีหรือมีแผนที่กางเอาไว้พอมาถึงสี่แยกนี้ไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนก็เปิดแผนที่ดูถามคนที่รู้ทางดูว่าถึงตรงนี้แล้วไปทางไหนต่ อ, อเขาก็จะบอกตรงไปตรงไปก็ไป ถ้าไม่มีแผนที่ไม่ดูหรือว่าไม่ถามทาั้งๆที่แผนที่ก็มีคนรู้ทางก็มีแต่ไม่ถามไม่ดูเชื่อมั่นในความรู้ของตอนเองก็ต้องเสี่ยงเอาบางทีก็ไปถูกบางทีก็ไปไม่ถูกไปไม่ถูกก็จะเสียเวลาหลงทางเดี๋ยวก็ต้องย้อนกลับมาแล้วไปลองไปทางใหม่ต่อเนี่ยการปฏิบัติจึงต้องมีการ ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆอยู่กับครูบาอาจารย์นี่ท่านจะคอยอบรมสัง่งสอนถ้าท่านว่างท่านสุขภาพไม่เป็นปัญหาท่านจะเรียกแล้วอย่างน้อยสี่หวันนี้ต้องเรียกมาชมอบรมพระสักครั้งหนึง่งสมัยที่ไปอยู่กับหลวงตาใหม่ๆสุขภาพสั้นยังแข็งแรงและภารกิจต่างๆอย่างน้อยถ้าเรียกเรียกพระมาอบรมได้ทุกสี่ห้าวัน แล้ต่อมาสุขภาพท่านเริ่มมีปัญหาแล้วก็ภารกิจเกี่ยวกับญาติโยมก็มีเพิ่มมากขึ้นการอบรมก็เลยต้องห่างไปแต่ก็โชคดีช่วงนั้นมีการอัดเทปเอาไว้อัดเสียงไว้แล้วมีเครื่องเล่นเทปให้พระเอาไปเปิดฟังได้ก็พอที่จะทำหน้าที่แทนตัวหลวงตาได้หลวงตาท่านก็เลยเบาใจหน่อย แต่ท่านบอกเสมอว่าท่านกังวลท่านห่วงยายพระเนยมากถ้าช่วงไหนไม่ไดแสดงทำอบรมพระเนยนี้ท่านกลัวเพราะท่านรู้ว่าเหมือนกับไม่ได้เติมน้ำมันกันพอไม่ได้เติมน้ำมันแล้วจิตมันก็จะโลเลกันแทนที่จะมีอิทธิบาทสี่มุ่งไปสู่การภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิก็จะถูกกำลังของกิเลสตัณหามาลากมาจุงให้ไป นอกทางจงกรมไม่ให้ไปนั่งสมาธิกันให้ไปหาขนมนมเนยหาก า, ฟกาแฟน้ำชามานั่งมาดื่มมาคุยกันหรือไปหากิจกรรมนอกใจมาทำกันไปซ่อมบาบ้างซ่อมจีวรบ้างซ่อมกุฏิบ้างแต่เวลาฟังเทศทางธรรมนี้ท่านจะคอยสกัดคอยห้ามอยู่เรื่อยว่างานของพระนี้คืองานปฏิบัต บำเพ็ญจิตตะภาวนางานสร้างกุติงานซ่อมกุติซ่อมอะไรต่างๆนี้ทําเท่าที่จําเป็นเท่านั้นอย่าไปทําเพราะอยากจะให้มันวิเศษวิโสให้มันรู้ให้มันหรา่าเพราะงานเหล่านี้มันไม่มีคุณค่ากับจิตใจมันไม่สามารถทําให้จิตใจหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากไม่สามารถทําให้หลุดแล้วยังเป็นตัวที่จะเด้งไว้ ให้ติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่เวลาฟังธรรมทุกครั้งนี้ท่านจะคอยสอนพระเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆ่เรื่องการก่อสร้างท่านห้ามท่านระวังถ้าว่ามันเป็นภัยต่อจิตใจของพระถ้าก่อสร้างนี้ยกให้ของเป็นของญาติโยมไปเหมาะกับญาติโยมญาติโยมได้บุญเวลาช่วยสร้างถวายกุฏิถวายศาลาอันนี้เป็นบุญของของญาติโยม แต่บุญของพระนี่ต้องเป็นบุญภาวนาการทำใจให้สงบต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิพิจารณารมเพื่อให้ตัดพบตัดชาติตัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากจิตจากใจถ้าไม่คอยปาล์ามไว้เดี๋ยวพอทิ้งช่วงหน่อยลืมหมดเดี๋ยวก็กลับมาทำจีวรทำบาต ท, ทำตีนบาต ท, ทำฉลกบาตซ่อมกุฏิหรือ มาต่อเติมกุติทำอะไ ร, ร, รจีปาทะแต่ไม่ทำอย่างเดียวก็คือเดินจงกรมนั่งสมาธิบอกท่านสอนจนปากเปียกปากฉีก็เหมือนกับว่าเข้าหูซ้ายแล้วทะลุหูขวาไปไม่หลงเหรืออยู่ภายในจิตในใจเลยเพราะกิเลสมันปัดไปหมดเหมือนกับสุนัขท่านบอกว่าเวลาเทน้ำราดน้ำใส่หลังสุนัขนี่ มันจะสะบัดทิ้งหมดเลยนี่คือใจของผู้ที่มีกิเลสตัญหาจะเป็นอย่างนั้นจะแสดงธรรมมากน้อยเพียงไรนี้พอมันไปสัมผัสกับใจมันจะสะบัดทิ้งหมดเลยนี่แหละคือความจำเป็นที่จะต้องคอยหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เกิดอิทธิบาทสี่ขึ้นมาให้เกิดฉันทะวิริยะจิตตวิมังสา เก like, ิดได้สีหวันก็หมดแะเหมือนเติมน้ำมันแล้วได้อาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวก็ต้องเติมใหม่แะเพราะน้ำมันหมดทังแล้วนี่ถ้าญาติอยม่เติมน้ำมันหนึ่งเดียวนี่จะไปรอดไหมนี่คอยเติมอยู่เรื่อยคอยสังเกตดูเกยอยู่เรื่อยเลยกลัวน้ำมันจะหมดมีใครบ้างที่มีรถแล้วไม่ยอมดูเกยรถยนต์กันดูเกยน้ำมันเนี่ยตัวสําคัญเลยดูเกยน้ำมันแล้วก็ดูราคาน้ำมันดูมันสองอย่างเนี่ ถ้าช่วงไหนน้ำมันถูกนี่รีบเติมก่อนนะเพราะถ้าพอรู้ว่าถ้ารถยนต์ขาดน้ำมันเมื่อไหร่ก็จบต่อให้รถยนต์มีราคากี่สิบล้านก็ไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรเป็นเหมือนท่อนฟืนท่อนไฟเ ป, นเป็นต้นไม้หรือเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งที่จอดทิ้งไว้เฉยๆเท่านั้นไม่สามารถที่จะพาเราไปไหนมาไหนได้ถ้าไม่มีน้ามัน ใจของพวกเราก็เป็นเหมือนรถยนต์นี่ที่เราต้องคอยเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆอย่างที่พทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลประเสริฐกาเลนะธรมรมะวันังเอตัมมังกัลมุตตมังการฟังธรรมตา ม, ตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งสมัยสมัยโบราณท่านก็ฟังอาทิตย์ละครั้งเพราะว่าวันธรรมดาต้องไปทำมาหากินกัน ต้องไปทำนาทำทำไล่ายนากันก็จะมีวันหยุดวันพระวันโกนก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็คนสมัยก่อนจะได้เข้าวัดกันและมีที่วัดเท่นั้นที่มีที่ฝังธรรมเพราะสมัยก่อนวิทยุก็ไม่มีวิทยุเสียงธรรมก็ไม่มีเสียงธรรมเพื่อประชาชนก็ไม่มีหนังสือธรรมะต่างๆก็ไม่มีซีดีวิดีโอก็ไม่มีก็ต้องไปที่วัด เพราะว่าสมัยก่อนญาติโยมเองก็ไม่มีการศึกษาไม่มีการอ่านหนังสืออ่านอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องอาศัยพระที่เป็นผู้ศึกษาเร่มเรียนอาศัยท่านมาแสดงธรรมให้ฟังเนีย่ยท่านเนงบอก ว, ว่าการฟังธทมตามการตามเวลาก็คือเวลาที่มีการแสดงธรรมเขาก็จัดไว้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งในวันธรร ม, มสวรนณะ วันพระนี่เราเรียกว่าวันธรรมสวนะธรรมสวรรคก็แปลว่าการฟังธรรมนั่นเองการเลนะธรรมสวเห็นังเอตัมมังกลมุตมตะมังตมังการฟังธรรม ต, มตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วก็มีข้อหนึ่งกาเลนะธรรมสักกัจฉาเอตัมมังกละมุตตมังธรรมสกักัจฉาก็เพื่อการสนทนาธรรมนั่นเอง การสนทนาธรรมกันก็เป็นวงคนอย่างยิ่งถ้าจะคุยกันนันบอกให้สนทนาธรรมกันอย่าคุยเรื่องหุ้นอย่าคุยเรื่องอางานเรื่องการเรื่องแต่งงานคนนั่นแต่งงานคนนี้ เ, เรื่องจี ป, ปาทะเรื่องการบ้านการเมืองอคุยเรื่องราวเหล่านี้เรโปวดหัวแทนที่จะทำให้ใจสงบกลับทำให้ใจวุ่นวาย ให้คุยเรื่องธรรมะกันแล้วใจจะเย็นใจจะสงบแล้วใจจะสว่างสวยัยด้วยแสงสว่างแห่งธรรมเห็นใตรลักเห็นอริยสัจสี่แล้วความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจนี้มันจะหายไปหมดความทุกข์นี้มันเกิดเพราะมันมีที่หลบซ่อนเหมือนขโมยขโมยนี้มันจะออกมาเฉพาะช่วงกลางคืนในที่มืดมองมันไม่เห็น แล้วมันคอยจ้องคอยดูว่าเราเผลอเมื่มอไหร่มันก็จะกระโดดเข้าขโมยเข้าของในบ้านเราทันทีฉันใดใจของเราก็เหมือนกันกิเลสตัณหานี้มันชอบความมืดความมืดก็คือความหลงนี่โมหะอวิชชาถ้ามีโมหะอวิชชาแล้กิเลสตัณหานี้ออกมาเพ่นพ่านได้เต็มที่เลยเหมือนกับขโมยนี่จะออกมาในช่วงกลางคืนกัน โดยเฉพาะยามดื น, ดนเวลาที่คนหลับนอนกันไปแล้วช่วงนั้นหละขโมยจะออกมาเพ่นพ่านกันฉันใดใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมนี้กิเลสมันจะออกมาเพ่นพ่านกันวุ่นไปหมดเลยแต่ถ้ามีแสงสว่างแห่งธรรมมีการฟังธรรมมีการสนทนาธรรมกันกิเลสมันจะไม่กล้าโผล่ขึ้นมา พอโผล่ขึ้นมาปั๊บมันก็ยัตถุฆ่าทันทีฆ่าด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่ดังนั้นถ้าอยากจะให้ใจเราสว่างสวยให้เจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆให้พิจารณาอาริยสัจสี่อยู่เรื่อยๆเวลาใจไม่สบายนี้บอกว่าใจเรามืดแล้วกิเลสมันออกมาแล้วรีบฉายไฟได้แล้ว รีบใช้อันนี้จังทุกขังอนัตตารีบใช้อริยสัจสี่ได้แล้ ว, ลวรีบเปิดไฟขึ้นมาเพราะเปิดไฟขึ้นมาปั๊บความไม่สบายใจต่างๆก็จะหายไปเพราะความไม่สบายใจก็เกิดจากตัณหาความอยากตัณหาก็เกิดจากความมืดบอดนั่นเองพอมีปัญญาแสงสว่างโผล่ขึ้นมาปั๊บความมืดบอดก็หายไปก็จะเห็นตัวขโมยกาลังจะขโมยข้าวของ ก็โทรเรียกหนึ่งเก้าหนึ่งได้เลยหนึ่งเก้าหนึ่งก็มาจัดการจับขโมยไปขังคุกขังตารางต่อไปนี่คือเรื่องของประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมจากการศึกษาธรรมจากการสนทนาธรรมเพราะจะทําให้ได้เกิดออิทธิบาทสีได้เติมน้ํามันได้เติมพลังให้แก่จิตใจแล้วจะทําให้มีกําลังจิตกําลังใจที่จะ ปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วพอได้มีการปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิผลต่างๆก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนห้ามผลไม่ได้ผลมันเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุแล้วห้ามมันไม่ได้เช่นเนี้ถ้าฝนตกเนี่ยเดี๋ยวต้นยงต้นยญ้า ก, ก็ขึ้นเต็มไปหมดเพราะหญ้นี้พอมันได้น้ํามันก็จ ะ, จะเจริญ ก, ก้าอวงอามขึ้นมา แต่ช่วงหน้าแล้งนี่ญ้าตายหมดเพราะมันไม่มีน้ำแต่พอฝนตกปั๊บนี่มันจะโผล่ขึ้นมาทันทีฉันใดถ้ามีเหตุคือการปฏิบัติถ้ามีน้ำมันที่ผลักดันการปฏิบัติก็จะมีการปฏิบัติเมื่อมีการปฏิบัติก็จะต้องมีการบรรลุผลตามมาเนี่ยพระอาริยรสงสาวกทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพาาาระอรหันต์มี ท่านได้เหตุท่านทำเหตุท่านคอยเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆคอยฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆคอยสนธนาธรรมกันอยู่เรื่อยๆแล้วพอได้น้ำมันแล้วท่านก็ไปบำเพ็ญกันไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิกันทำใจให้สงบกันออกจากความสงบก็มาเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญากันพิจารณาไตรลักษณ์เปิดแสงสว่างให้มันเต็มไปในหัวใจ อาใจมีใจรักมีอริยาาสัจสี่นี้กิเลสมันจะไม่กล้าโผล่ออกมาตัณหาจะไม่กล้าโผล่มาเมื่อไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์ก็หลุดพ้นนั่นสิหลุดพ้นก็บรรลุธรรมขั้นต่างๆนี่แหละคือเรื่องของการบำเพ็ญการปฏิบัติของพวกเราต้องมันเติมน้ำมันกันอยู่เรลยเพื่อที่จะได้ ขับเคลื่อนการปฏิบัติของเราให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการอย่างที่พวกท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้ก็มาเติมน้ำมันกันบางทีก็ต้องบังคับตัวเองบางทีก็ขี้เกียจเติมเสียดายเงินอยากจะเอาเงินไปซื้อขนมกินแต่ก็ต้องคิดว่าถ้าไม่เติมน้ำมันเดี๋ยวน้ำมันหมดนี่มันจะลาบากกินขนมแล้วมันก็หมดไปสู้เก็บเงินไว้เติมน้ามันดีกว่า เช่นช่วงวันหยุดนี้แทนที่จะไปเที่ยวกันห้าวันนี้มาเติมน้ำมันกันสักห้าวันดีกว่าเราจะได้มีน้ำมันขับเคลื่อนการปฏิบัติของเราให้ไปไกลให้ไปใกล้พระนิพพานเข้าไปทุกทุกขณะถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราปรารถนากัน เพราะผู้ที่ดำเน็ดาเพนแบบนี้ได้ผลกันแบบนี้กันทุกคนตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงพระอาหลานตสาวกทุกๆพระองค์ทุกๆลู ก, ท, ก, ท, ก, ท, กท่านก็บำเพ็ญกันแบบนี้ยังขอฝากเรื่องของการมาเสริมสร้างคุณธรรมที่สำคัญสี่ประการคือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังษานี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพิจนาและปฏิบัต เพื่อความสุขความเจริญในธรรมที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริาาวาหาปุราปาริปุริติสากลางังเอวเมวะอิโตทินังเตตานาังอุ ป, ปกั ป, ปติ อิชิตังปฏติตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉะตุสัพเพปรยนตุสังกปาจันโทปนะระโสยทามณิโชติระโสยทาสพีติโยวิวาจาันตุสัพพะโรคโคลีนัสตุมาเตภวตวันตราโย ο, สุขีทีคายุโกภวะ พิวาทานาศีลิษะนิจังวุฒาปจายโนจตาโรโธรรมวัาติอายุวโนสุขังภาลางังต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญ ขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ถามปัญหาที่ถามมาทางทางอินเทอร์เน็ตคำถามจากเฟ e บุ๊กค่ะผมอ่านเจอในเฟซของแม่ชีท่านหนึ่งขอเปิดดูดวงทำพิธีเสริมบารมีตัดกรรมเขาเขียนว่าใครว่าตัดกรรมไม่ได้ซึ่งในเนื้อหา เป็นการลงถึงลูกค้าที่มาทําพิธีตัดกรรมเสริมบารมีกับเขาแล้วได้ผลดีขึ้นแม่ชีท่านนี้ลงรูปที่ตนไปตักบาตรและขึ้นไปฟังธรรมบนเขากับพระอาจารย์ด้วยขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ว่าพิธีตัดกรรมนี้ทําได้ด้วยหรือครับและเขาบวชชีแล้วบอกทําทานศีลภาวนา แต่เห็นลงรูปเงินที่ได้จากลูกค้าที่มาทำพิธีและรถเบนที่ซื้อมาสายศาสตร์ต่างๆนี้แก้กรรมได้หรือครับทำไมคนทําพิธีรวยเอารวยเอาจากเงินทาพิธีของลูกค้าบุญหรือบาปอย่างไรครับอันนี้ไม่ขอวิาพากษ์วิจารณ์แต่ขอพูดแบบหลักทมการที่จะ ตัดกรรมได้ก็มีวิธีเดียวก็ต้องตัดแบบพระพุทธเจ้าเออต้องไม่กลับมาเกิดใหม่ถ้าไม่กลับมาเกิดแล้วกรรมต่างๆที่ได้ทำไว้ก็จะไม่สามารถส่งผลได้ต่อไปแค่ตับไดยยังมีการกลับมาเกิดอยู่เวนกรรมก็ยังจะต้องมีต่อไปแม้แต่จะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังหนีไม่พ้นเวนกรรม เวนกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงมีกับพระเทวทัตเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังมีเทวทัตพยายามที่จะมาบงพชนแต่พอพระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปานิพานไปแล้วทีนี้ก็ไม่มีใครที่จะไปจองเวรจองกรรมกับพระองค์ได้ต่อไปนี่คือวิธีที่จะตัดกรรมได้อย่างแท้จริง ต้องตัดด้วยการไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปคำถามต่อไปจากคุณคล้าเคนค่ะนิพพานคือสวรรค์หรือความว่างในวงเล็บไม่มีอะไรครับนิพพานท่านก็บอกเราปรมังสุขทังเข้ามาบาลมังสุขขางก็บรมาสุขสวรรค์ชั้นต่างๆก็เป็นความสุขระดับต่างๆ ระดับสูงสุดก็คือพระนิพพานนี่เองยังจะเรียกว่าพระนิพพานเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดก็ได้แต่ที่ทำเรียกนิพพานเพราะว่าจะได้ไม่สับสนเพราะสวรรค์ชั้นต่างๆนี้มันยังมีเสื่อบได้ทําบุญไปไปเกิดในสวรรค์พอบุญหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าได้ไปถึงพระนิพพานแล้วก็ไม่มีวันเสื่อมยัง ถ้าเปรียบเทียบคอนโดก็เป็นชั้นสูงสุดชั้นเพนทาวน์นนะถ้าใครอยากจะได้เพนทาว์ก็ต้องจ่ายเงินเยอะหน่อยต้องออกบวชกันถ้าอยากจะได้แค่สวรรค์ชั้นเทพก็ทําอย่างญาติโยมทํากันรักษาศีลแล้วก็ทําบุญทําทานไปใส่บาตรพระไปทอดกระถิ่นไปทอดผ้าป่าไปตายไปก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นเทพกัน ถ้าอยากจะไปสวรรค์ชั้นพรมก็ต้องถือศีลแปดแล้วก็นั่งสมาธิกันแต่สวรรค์เหล่านี้ก็มีวันเสื่อมมีวันหมดได้ถ้าอยากจะได้สวรรค์ที่ไม่เสื่อมไม่หมดก็ต้องมีปัญญาเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นไตร ล, ลักษณ์เราก็ตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดตัดสามีตัดภรรยาตัดลูกตัดทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองแบบพระพุทธเจ้าได้ทรงตัด ถ้าอย่างนั้นก็จะได้พระนิพพานถ้ายัางเสียดายทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองอยังเสียดายสามีภรรยาบุตรธิดายอยู่ก็จะไม่สามารถที่จะไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดนั้นได้คําถามต่อมาจากคุณวราพรค่ะหากความทุกข์ทําให้เราฟุ้งซ่านแต่เมื่อเรามองเห็นสาเหตุของทุกข์ ความไม่เที่ยงในปัญหานั้นแล้วสภาวะอารมณ์จากขุ่นมัวจะค่อยๆเบาลงเมื่อนั่งพิจารณาว่าไม่ว่าเราจะเกลียดหรือชอบมันคือความอยากตัวเราที่อยากนู่นอยากนี่สักพักความรู้สึกก็หายไปว่างอยู่เพียงอึดใจจิตก็กลับหาเรื่องมาคิดใหม่ซ้าบนเป็นเหมือนเป็นรอบค่ะคําถามคือข้อหนึ่ง อยากทราบว่านี่คือสภาวะที่จิตทํางานใช่หรือไม่ครับก็เป็นการความคิดปรุงแต่งถ้าคิดไปในทางธรำใจก็จะสงบถ้าคิดไปในทางตัณหาความอยากใจก็จะวุ่นวายขึ้นมาดงั้นผู้ปฏิบัติธรรมนี้ก็ต้องการควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางกิเลสตัณหานั่นเองให้คิดไปในทางธรรมถ้าคิดไปในทางธรรมได้ตลอดเวลา ก็เป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าได้แต่ถ้าคิดได้บางเวลาบางเวลายังไม่ได้ก็เป็นพระอาาริยบุคคลขั้นต่างๆไปถ้าคิดไม่ได้เลยคิดแต่ทางกิเลส ก, ก็เป็นปุถุชนไปคำถามข้อสองค่ะการที่จะทำให้จิตสงบหนูควรนั่งสมาธิสวดมนต์และพิจารณาสภาวะความคิดไปเรื่อยๆถูกต้องหรือไม่คะ ไม่ถูกหรอกเวลาจะนั่งสมาธินี้ต้องไม่คิดไม่ต้องไม่พิ จ, จารณาต้องให้ใจเกาะติดอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นการบริกรรมพุทโธถ้าอยู่กับพุทโธไปอย่างต่อเนื่องไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าคิดแล้วใจก็จะไม่มีวันสงบยกเว้นว่าคิดไปในทางปัญญา ถ้าคิดไปในทางปัญญาก็ทําให้ใจสงบได้ที่ท่านเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิแต่ผู้ที่จะคิดแต่ทางปัญญาได้นี้ยากมากน้อยมากที่จะคิดทางนั้นได้ส่วนใหญ่ถึงจะใช้คำบริกรรมกันเพราะมันง่ายเพียงแต่เราเลิกถึงพุทโธพุทโธไปแล้วก็ไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้น ถ้าอยู่กับพุโทโธได้อย่างต่อเนื่อง5นาทีเศษ10นาทีจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้คำถามต่อมาจากท่านเดิมค่ะการคิดพิจารณาจะเหมือนกับมีตัวเราขึ้นมาอีกคนในความคิดหรือไม่คะเหมือนเราอุปโลกขึ้นมาหรือไม่คะมันจะคิดถ้ามันคิดถึงตัวเรามันก็ตัวเราก็โผล่ขึ้นมา ถ้าเราไม่คิดถึงเราตัวเราตัวเรามันก็ไม่โผล่ขึ้นมาตัวคนอื่นก็โผล่ขึ้นมาคิดถึงแฟนแฟนก็โผล่ขึ้นมาคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เขาก็โผล่ขึ้นมาของทุกอย่างที่มันอยู่ในใจนี้เหมือนหนังที่เราฉายกันเข้าใจไหมหนังสไลด์เนี่ยเราภาพเราถ่ายภาพของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของตัวเราแล้วเวลาเราภาพไหนมามาฉายขึ้นไปบนจอภาพนนท์มันก็โผล่ขึ้นมา พอเราคิดถึงพ่อภาพนล้วมันก็โผล่ขึ้นมาคิดถึงแม่ภาพนล้วมันก็โผล่ขึ้นมาคิดถึงตัวเรามันก็โผล่ขึ้นมามันเป็นมาจากความคิดทั้งนั้นแนะ่ะคําถามต่อมาจากคุณชีวิตใหม่ค่ะกราบถามพระอาจารย์เรื่องรักษาศินแปดผมยังไม่เข้าใจครับเพราะบางคนว่าทํางานรักษายากแต่เราถือศินแปดสินเรามากกว่าเขาถ้าคนอื่น และเพื่อนร่วมงานหัวหน้าเขาใช้เราทำให้เขาบาปมากเพราะสินเราเยอะกว่าเขาคุณธรรมในการรักษาสีนมันเยอะกว่าเขาความคิดนี้ถูกต้องไหมครับไม่ถูกหรอกถ้าเราเป็นลูกน้องเขาต่อให้เรามีสีนมากกเขากี่ร้อยข้อมันก็ยังต้องเป็นลูกน้องเขาอยู่เขาก็สั่งเราได้ใช้เราได้เรื่องความมีสีนมากสินน้อยนี่มันไม่ได้หมายความว่าพาคนมีศินมากแล้ว คนมีศีลน้อยกว่าสั่งให้ไปทำงานไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ศีลเป็นเรื่องคุณสมบัติเฉพาะตนเหมือนกับคนมีแขนสองแขนกับคนมีแขนหนึ่งแขนคนหนึ่งแขนไปสั่งให้คนสองแขนทำงานนี่บาปหรือเปล่าถ้าคนหนึ่งแขนเป็นคนจ่ายเงินเดือนนี่มันไม่เกี่ยวกันมันไม่ใช่เรื่องของว่าศีลมากศีลน้อยแล้วคนศีลน้อยไปสั่งให้คนศีลมากนี่มันแล้วบาปกรรม ม, มันไม่เป็น มันจะบาปกรรมก็แต่เมื่อไปฆ่าเขาไปรักทรัพย์ของเขาไปประพฤติผิดประเวณีไปโกหกหลอกลวงไปเสพชรลายามาอันนี้แหละถึงจะถือว่าบาปคำถามข้อสองค่ะจากท่านเดิมค่ะการถูกเนื้อต้องตัวและระวังกายใจมันยากเพราะไม่ได้อยู่คนเดียวอาจมีพูดกระทบกระทั่งกันหรือเพอเจอร์ครับเขาว่าในพระไตรปิฎก ถ้ารักษาศีลแปดแล้วทํางานด้วยมันยากไม่มีใครเขาทําและทําไมคนต้องไปรักษาศีนแปที่วัดด้วยครับทําไมต้องนุ่งขาวห่มขาวครับคือพยายามจะรักษาศีลแปดเพื่อนแยง้งมันด่างพร้อยครับมันไม่บริสุทธิ์แต่ผมอยู่คนเดียวคิดว่าจะรักษาศีลแปดทำให้ผมไม่เข้าใจครับการรักษาศีนแป ถ้าเรารักษาได้เราก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็รักษาไม่ได้ก็มีเท่านั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอยู่กับใครหรือไม่อยู่กับใครถ้าใจเรามีความหนักแน่นมีความมั่นคงต่อการที่จะปฏิบัติตามกฎของศีลแปดเราก็ปฏิบัติได้ต่อให้มีอะไรมามีใครเอาอางอาหารมาตั้งอยู่ข้างหน้านี้ตอนหลังเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่แตะไม่ต้องได้ แต่ถ้าคนใจไม่มีกําลังใจอ่อนเนี่ยถ้าไปรักษาสินแปดอยู่กับคนที่เขาไม่รักษาสินแปดเดี๋ยวก็ตา บ, บะแตกเขานีมไหมพอตอนเย็นเขากินข้าวกันเห็นอาหารที่เขาตั้งอยู่บนโต๊ะเลือดไม่ดีเขาแย่มาชวนเอาส่านหน่อยไหมพี่เออแค่นี้ใจก็หวั่นไว้แล้วหิวขึ้นมาทันทีเนี่ยมันก็จะรักษาไม่ได้ถ้าอยู่ตัวคนเดียวก็จะไม่มีใครมา เป็นเขาเรียกเป็นมานเข้าใจไหอยู่คนเดียวไม่มีใครเปิดทีวีมาล่อให้เราดูไม่มีใครทำอาหารมาล่อให้เรารับประทานไม่มีใครมาชวนให้เราไปร่วมหลับนอนด้วยก็อยู่คนเดียวสิน8มันก็ง่ายรักษาถ้าอยู่คนเดียวมันก็ง่ายถ้าอยู่กับคนที่เขายังไม่รักษาสินปมันก็จะยากเท่านั้นเองส่วนเรื่อง ใส่ชุดขาวหรือไม่ใส่ชุดขาวอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมเนียมเป็นประเพณีเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าเออที่ใส่ชุดขาวนี่เพราะว่าถือศีลแปดเพื่อจะได้คนอื่นเขาจะได้ไม่มารบกวนมาบางทีเดี๋ยวก็มาชวนไปกินข้าวเย็นอย่างนี้พอ เ, เขาเห็นว่าเราใส่ชุดขาวเขาจะรู้ว่าอ๋อคนนี้ก็ไม่กินข้าวเย็นเขาไม่ดูทีวีเขาไม่ดูหนัง อ, อันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นสั ญ, ญลักษณ์แบบตำรวจเนี่ยเขาต้องมีเครื่องแบบใช่ไหม ถ้าไม่มีเครื่องแบบเจะไปรู้ว่าเ็าเป็นตำรวจนะคำถามจากท่านเดิมต่อมาค่ะต้องกล่าวคำสมาท า, านศีลเองด้วยไหมครับหรือคิดไว้ในใจครับและเริ่มสมาทานตอนไหนครับทานข้าวเช้าตีห้าครึ่งได้ไหมครับเพราะงานเข้าวเช้าหรือตะวันขึ้นหกโมงเป็นต้นไปถึงทานได้แต่ห้ามเลยเที่ยง การสมาทานศีลนี้ก็เป็นการถูกใจไว้นั่นเองว่าเราจะทาเราจะรักษาศีลสมัยรนนี้เราจะรักษาศีลแล้วก็ตั้งใจสมาทานว่าตั้งแต่บัดนี้ไปเวลานี้จะรักษาศีลไปจนถึงเวลานั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับกำหนดขอบเขตของการรักษาศีลจากเวลากี่โมงไปถึงเวลากี่โมง ตามปกตินี้เราจะนับวันใหม่ในช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นคือวันที่เป็นวันเวลาที่สว่างจะที่มันที่มันเปลี่ยนจากกลางคืนมาเป็นกลางวันเนี่ยตอนที่มันสว่างนี้เราเรียกว่าอารุณนะเราไม่ได้นับตามเวลาสากลเวลาสากลเขาจะนับวันใหม่ที่หลังจากเที่ยงคืนไปแล้วถ้าถือแบบนั้นก็สบายเที่ยงคืนก็กินมาม่าได้แล้ว ถ้าจะถ้าจะถือศีลแปดจะถือจะนับวันนี้ต้องนับตามของของพระของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาให้นับวันเริ่มต้นที่ตอนเช้าตอนที่สว่างเป็นวันใหม่ถ้ายังไม่สว่างนี่ยังรับประทานอาหารไม่ได้แล้วก็จะรับประทานได้ก็จนถึงเที่ยงวันพอหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่รับประทาน ต้องรอถึงวันรุ่งขึ้นไม่ใช่รอถึงตอนเที่ยงคืนตอนหลังเที่ยงคืนคําถามต่อมาจากคุณวันนีค่ะทราบว่าสัตว์เดรัจฉานเกิดจากโมหะความหลงกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ยกตัวอย่างความหลงที่ทําให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานค่ะคือสัตว์ทุกชนิดที่มาเกิดในใต้ภพนี้เกิดมาจากความหลงนั่นเอง มนุษย์ก็มาจากความหลงเทวดาก็มาจากความหลงพรมก็มาจากความหลงเดชะชานเปิดผีนี้ก็มาจากความหลงในกรณีของของผอีของเดลชานนี้ก็คือความหลงที่ไม่รู้ว่าการกระทําบาปนี้มีผลคิดว่าทำบาปแล้วไม่ไม่มีผลเพราะเป็นความจำเป็นเช่นคนที่บอกเป็นอาชีพต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้ เขาถือว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าไม่บาปแต่ความจริงมันบาปความคิดว่าไม่บาปนี่ก็คือความหลงความเห็นผิดเป็นชอบท่านบอกว่าถ้าทำบาปเพราะความความหลงก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปเพราะความโลภรู้ว่าบาปแต่ยังอยากได้อยากได้เงินทองมากๆก็หาเงินโดยวิธีสุจริญหายาก ก็ต้องหาโดยทุจริตโกหกหลอกลวงช่อโกงอะไรแบบนี้เพื่อที่จะได้เงินมากๆถ้าทําบาปด้วยความโลภท่านก็บอกเป็นเปรตถ้าทําบาปด้วยความกลัวก็เป็นผีถ้าทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาท ก, ก่อเกลียดก็จะเป็นนรกเป็นสัตว์นรกนี่คือเหตุที่จะทําให้ผู้ที่ทําบาปไปเกิดในอบายขั้นต่างๆกัน อยู่ที่เหตุว่ารู้ว่าหลงไม่รู้ว่าเป็นบาป ก, ก็เป็นเดรัจฉานอย่างเดรัจฉานนี่เขาไม่รู้เ ข, เขาต้องเขาต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาด้วยการกัดกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเขาก็ต้องทําไปแต่มนุษย์นี่มีปัญญาที่สามารถที่จะแยกแยะได้เพราะมีคนสอนว่าการฆ่าผู้อื่นไม่ว่าด้วยเหตุผลกลไกอะไใดนี่เป็นบาปแล้วจะมีผลตามมา ถ้าอยากจะเป็นมนุษย์ก็อย่าไปทำบาปถ้ารักษาศีลห้าได้ก็จะไม่ต้องไปเกิดไนอบายตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยแต่ถ้าไปทำบาปก็ต้องไปใช้บาปก่อนเมื่อบาปหมดแล้วถึงค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างนั้นถ้าอยากจะเป็นมนุษย์ตลอดเวลาทุกภพทุกชาติก็ต้องรักษาศีลห้าไว้ให้ได้มนุษย์เท่าอบ เป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายเพราะว่ามนุษย์นี้รู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นบาปอะไรไม่เป็นบาปแต่สัตว์เดราจฉานี้เขาไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นบาปหรือไม่เป็นบาปเขาทำไปตามความต้องการของเขาเวลาเขาหิวเขาก็ต้องกินเขาก็ต้องหาสัตว์เล็กสัตว์น้อยกินไปเพราะเขาไม่มีปัญญาที่จะปลูกข้าวปลูกผักที่จะทาอาหารกินได้ เขาก็เลยต้องกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยนอกจากสัตว์ที่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็มีสัตว์ที่กินหญ้ากินผลไม้พวกนี้ก็จะไม่ได้ทำบาปแล้วพอพ้นบาปไปก็จะได้จะไไม่ต้องกลับไปเกิดเป็นเดราชานซ้ำแล้วซ้าอีกถ้าเกิดเป็นเสือเป็นอะไรที่ต้องกินสัตว์นี่ก็จะกลับไปเกิดเป็นสัตว์อย่างนั้นอยู่ซ้ำแๆ้วซ้ำอีกจึงกว่าจะได้มาเกิดเป็นสัตว์ที่ไม่ต้องกินสัตว์ สัตว์ที่กินผลไมก้กินผักกินหญ้าอะไรพวกนี้ก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เร็วขึ้นคำถามฝากถามค่ะหนูนั่งสมาธิช่วงเย็นภาวนาคำว่าเกสาโลมานาัขาทันาตาตะโจสักพักใหญ่ก็ยังไม่สงบรู้สึกแต่ว่าเรากำลังภาวนาอยู่เท่านั้นสักพักหนึ่งเห็นภาพงูเลื้อยลงบ่อน้า รู้สึกตกใจทันทีแต่ในขณะเดียวกันคำบริกรรมหายไปพร้อมกับความรู้สึกตัวมันบูบเข้ามาข้างในแล้วรู้สึกดีและโล่งมากอาการแบบนี้เรียกว่าสมาธิไหมคะหนูทำถูกไหมคะและจะทำอย่างไรต่อไปดีคะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้ ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นสมาธิแล้วไม่เป็นสมาธิหรือถ้ถามันสงบมันนิ่งมันมีความสุขก็เป็นสมาธิถ้ามันไม่สงบมันไม่นิ่งมันก็ยังไม่ใช่เป็นสมาธิคําถามฝา ก, กถามอีกท่านหนึ่งค่ะการพิจารณาอสุภะคือเราต้องนึกถึงอสุภะอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะถึงจะได้ผลการพิจารณาอสุภะเพื่อดับความอยากในกาม อยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนหรือกับใครก็ตามถ้าเห็นอสุภะเห็นร่างกายของเขานี่เป็นเหมือนทรากศพก็จะดับความอยากที่อยากจะร่วมหลับนอนกับเขาได้เาฉั้นก็เหมือนกับเป็นยาอสุภะนี่ก็เป็นเหมือนยาเราจะกินยาก็ต่อเมื่อเราเกิดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาถ้าไม่เป็นโครคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่ต้องกินยา อสุภานี้ก็ต้องใช้ในขณะที่เกิดการอารมณ์ถึงจะเป็นผลเป็นประโยชน์แต่ที่ให้เราพิจารณาอสุภาษอยู่เรื่อยๆก็เพื่อเตรียมย า, าไว้ก่อนเพราะถ้าเราไม่เตรียมยาไว้เดี๋ยวเวลาเกิดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหายาไม่ทันในการพิจารณาอสุภานี้ก็ให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อให้มันติดเป็นนิสัยให้มันจําได้จําว่าคนนี้ไม่สวยงามคนนี้ต่อไปก็ต้องเป็นซากศพ ถ้าเป็นขณะปัจจุบันนี้ก็มีอวัยวะน้อยใหญ่ที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังถ้าถ้าแหวกออกมาดูก็จะไม่น่าดูถ้าคิดถึงส่วนที่ไม่น่าดูไม่สวยไม่งามของคนแล้วเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็จะสามารถใช้ภาพเหล่านี้มาดับการมารมณ์ได้แต่ถ้าไม่พิจารณาไว้ล่วงหน้าก่อนไม่ฝึกไว้ก่อน เหมือนกับไม่ท่องสูตรคูณเวลาที่จะเอาเลขมาคูณมาหานี้จะทําไม่ได้เพราะเราไม่มีสูตรคูณอยู่ในใจของเราอสุภะนี้ก็เป็นเหมือนสูตรคูณที่เราจะเอามาใช้ในเวลาที่เราทําข้อสอบเวลาที่เราเกิดการมารมณ์ขึ้นมาโดยเฉพาะเวลาที่เราถือศีลแปดหรือเป็นนักบวชเวลาเกิดการมารมณ์ขึ้นมานี้ เราจะไประบายด้วยการไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นไม่ได้ถ้าเราถือศีลห้าหรือเป็นคาราวะานี้เราก็ไม่ต้องใช้อสุภะก็ได้เกิดการอารมณ์เราก็ไปนอนกับแฟนเราการการอารมณ์นั้นมันก็หายไปแต่มันหายมันไม่หายถาวรท่านั้นเองมันหายชั่วเปล่เดี๋ยววันพวกนี้มันก็เกิดการอารมณ์ขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะให้มันหายอย่างถาวรและหายโดยที่ไม่ต้องไปร่วมหลับนอนกับผู้อืน่น ก็ต้องใช้อสุภานี้มาเป็นเครื่องมืองั้นการพิจารณาสุภนี้ก็จำเป็นจะต้องพิจารณาจนสามารถที่จะเอามาใช้ดับการอารมณ์ได้ถ้าเกิดการอารมณ์แล้วอสุภาหายไปไหนหาไม่เจอก็แสดงว่ายังพิจารณาไม่พอก็ต้องกลับไปพิจารณาใหม่แล้วจนกว่าจะเกิดการอารมณ์ขึ้นมาใหม่แล้วดูว่าอสุภาษที่เราพิจารณานี้ จะมาช่วยเราได้ทันควันหรือเปล่าถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องพิจารณาต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเอาอาสุภะมาดับการอารมณ์ได้ถึงถือว่าสําเร็จบรรลุเป็นพระอนาคามีได้คําถามต่อมาค่ะจากท่านเดิมค่ะถ้าคนที่ยังไม่มีสมาธิและกําลังสติยังอ่อนมากแล้วอยากจะพิจารณาอาสุภะควรทําอย่างไรดีคะ ก็มันทําไม่ได้จะควรทำอย่างไรก็ควรไปเจริญสติไปฝึกสมาธิก่อนเหมือนคนอยากจะเขียนอ่านหนังสือพิมพ์นี้เขียนนิยายานี้แต่ยังท่องกอไก่ขอไขไม่ได้สะกดยังไม่เป็นแล้วมันจะไปอ่านออกเขียนได้อย่างไรมันอยากจะอ่านออกเขียนได้มันก็ต้องไปหัดเรียนกอไก่ขอไก่หัดสะกดก่อนถ้าจํากอไก่ขอไขได้รู้การสะกดผสมตัวอักษรได้ก็เขียนได้อ่านได้ คนที่อยากจะพิจารณาปัญญามันก็ต้องมีสมาธิก่อนคนที่จะมีสมาธิก็ต้องมีสติก่อนคนที่จะมีสติก็ต้องถือศีลแปดเนี่ยมันเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกันงานที่สนับสนุนกันคนที่จะถือศีลแปดได้ก็ต้องหัดถือศีลห้าให้ได้ก่อนคนที่จะถือศีลห้าได้ก็ต้องทาทานให้ได้ก่อนเนี่ยมันเป็นขั้นเป็นตอนท่านถึงสอนทานศีลปาวนา ผ่านศีลศีลห้าแล้วก็ศีลแปดศีลแปดแล้วก็ ส, ส, 8, กส ม, มถะภาวนาก็พุทโธเจริญพุทโธสติไปพอใจรวมเป็นสมาธิแล้วทีนี้ออกมาก็พิจารณาทางปัญญาได้คำถามจากคุณศิรกรนาเกลือฝากถามค่ะเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าครอบครัวทะเลาะเบาะแววงกันตลอดเวลาเราจะสามารถใช้ธรรมช่วยให้ครอบครัวเรากลับมารัก สมัครสมานสามัคคีกันได้อย่างไรคะก็ต้องใช้ความเมตตานะต้องให้อภัยกันต้องคิดถึงห อ, อกเขาห อ, อกเราอย่าเอาแต่ใจของเราถ้าเอาใจของเรานะมันก็พังสางคนต่างเอาใจของตนเองมันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้เราต้องคิดถึงเวลาที่เราเจอกันใหม่ๆตอนเจอใหม่ๆนี่รู้สึกเอาอกเอาใจกันแล้วเกินก็อยากได้อะไรก็หามาให้นยเราต้องคิดถึงเวลานั้น เนเวลานั้นเรามีแต่ความเมตตาเราถึงอยู่กันได้พอเราอยู่กันแล้วทีนี้เราก็ทิ้งความเมตตาไปเอาความเห็นแก่ตัวเข้ามาแทนทีนี้อยากจะทำอะไรตามอารมณ์ของเราเขาก็อยากจะทำอะไรตามใจของเขาเมื่อมันขัดกันมันก็ทะเลาะกันท่านั้นเองถ้าต่างฝ่ายต่างยอมกันต่างฝ่ายต่างเสียสละต่างฝ่ายต่างให้กัน มันก็อยู่กันไปจนวันตายได้จากท่านเดิมคะ่ะเรียนถามว่าสังคมปัจจุบันเริ่มเสื่อมโทรมอย่างหนักเราควรจะทำอย่างไรใช้หลักธรรมใดในการช่วยกันฟื้นฟูสังคมให้ดีขึ้นคะก็เข้าวัดกันไงเข้าวัดเนี่ยเข้าวัดบ่อยๆแล้วสังคมก็จะดีขึ้นเองอีกคำถามคะ่ะหากเรี่ยงการมีคู่ครองไม่ได้เราจะสามารถ ปฏิบัติธรรมในขณะที่ยังครองเรือนได้หรือไม่คะและควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเลือกคู่อย่างไรถึงจะมีความสุขในชีวิตโดยไม่ต้องออกบวชคะน่าไม่เป็นศิลานีนะําได้ทุกอย่างวะอันนี้ไปถามคนอื่นบ้างนะเอา ไ, ไม่เป็นนะ เพราะเรามีแต่สอนให้อยา ก, กันให้ให้แยกกันเราก็เลยไม่จะให้อยู่กันยังไงเพราะมันอยู่ร่วมกันแล้วมันต้องทุกข์อ่ะไม่ว่าจะสุขขนาดไหนมันก็ต้องมีวันทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอยากอยู่ร่วมกันอยู่คนเดียวมีใครอยากจะถามอะไรไหมอ่ามายังมีถามอยู่นี่ทั้งนี้ เ, เปิดไมคกัน ขอ้อกาเปลียนถามพระอาจารย์นะเจ้าคะว่าการเทศมหาชาติตละปีเนี่ยคะ่ะที่เขาทางวัดจัดกันน่ะแล้วย่าโยมเป็นย่อภาพกันนั้นกันนี้แล้วก็จุดเทียนนี่หมายความว่ายังไงได้บุญยังไงเจ้าคะมันไม่ได้บุญหรอกความจริงเทศมันไม่ต้องเสียงเงินหรอกนิพพานเ้าหาออกบายหางเงินเนียเขาก็เลยบอกเป็นมูลมากความจริงเทศนี่ไม่ต้องเสียงเงินหรอกพระพุทธเจ้าเวลาเทศไม่มี ทำเนียมไม่มีพิธีจุดเทียนไม่มีจองว่าเทตกันนู้นเทตกันนี้เข้าใจไหมแต่พระสมัยนี้พระหาเงินกันไงเขาก็เลยต้องหาหาอุบายวิธีหลอกล่อญาติโยมว่าเออเป็นเจ้าภาพกันน้องกันนี้แล้วจะได้บุญมากอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่ได้หรอกคือมันได้ก็คือว่าเราได้ทําทานแต่ทําทานลักษณะนี้มันเป็นทําทานแบบโลคมากกว่าทําทานเพื่อตัดความโลภ เป้าหมายของการทำทานนี้ต้องการตัดความโลภอยากได้เงินอยากได้ทองแม้แต่บุญก็ไม่อยากได้ทำทานเพื่อให้ใจสบายทำตายเพื่อละความตนีละความโลภแต่นี่ทำทานเพราะจะเพราะอยากได้นูน่นอยากได้นี่อันนี้ก็ผิดแล้วคนที่รับทานก็ผิดมาหลอกล่อให้คนโง่ไม่รู้เรื่องให้ทำทานแล้วจะได้เงินจากเขา การทำทานนี้มันควรจะเป็นไปตามอธัธยาศัยตามศรัทธาอย่างญาติโยมมาที่นี่ญาติโยมจะทำหรือไม่ทำนี่เราไม่ได้ไปให้ความสำคัญเราถือว่าเราทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณของญาติโยมที่เลี้ยงดูเรามาด้วยปัจจัยสี่หน้าที่ของพระก็มีหน้าที่การอบรมสั่งสอนศรัทธาญาติโยมให้ให้รู้จักธรรมะหน้าที่ของญาติโยมก็สนับสนุนวัดว า, าราม ด้วยการใส่บาทพระด้วยการทำนุบำรุงถาวรและวัตถุต่างๆต่างฝ่ายต่างทาหน้าที่ของกันและกันเท่านั้นเองที่ให้ญาติโยมทําทานก็เป็นหน้าที่ของญาติโยมเพราะว่าวัดวารามนี้จะอยู่ขึ้นมามีขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการทําทานของญาติโยมถ้าไม่มีวัดวารามก็ไม่มีพระจะมาบวชมาศึกษามาปฏิบัติธรรมก็จะไม่มีพระมาสั่งมาสอน ดัง น, นวิธีสมัยนี้มันเป็นวิธีทางก็เรียกว่าพุทธพาณิชย์ไปหมดแล้วมันไม่ใช่เป็นพุทธธรรมแล้วเข้าใจไหนะถ้าพุทธธรรมมันไม่ได้เป็นอย่างนี้พุทธธรรมนี่ต่างคนต่างรู้หน้าที่ของตนญาติโยมรู้ว่าหน้าที่ต้องทําบุญทำทานก็ทําไปใส่บาตรไปพระไม่มีจีวรก็ซื้อจีวรมาถวายพระไม่มีกุฏิอยู่ก็สร้างกุฏิให้อยู่พระก็มีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติธรรมไป ไม่ใช่มานั่งเทศมหาชาติเพื่อมารอกันเทศของญาติโยมมันไม่มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่มันนี้มันเป็นเรื่องพุทธพาณิซื้อขายไปหมดเยอะญาติโยมก็ซื้อบุญพระก็ขายบุญแล้วมันจะได้บุญตรงไหนเพราะบุญที่แท้จริงมันไม่มีการซื้อการขายบุญซื้อไม่ได้ขายไม่ได้บุญต้องเกิดออกมาจากศรัทธาเกิดจากความเห็นโทษของการมีเงินมากเกินไป เห็นว่ามีเงินแล้วก็มีแต่ปัญหามีแต่ภาระต้องคอยดูแลรักษาเงินทองจะไปปฏิบัติธรรมก็ไปไม่ได้คนที่อยากจะไปปฏิบัติธรรมเขาถึงต้องทำสลละเงินทองไปทั้งหมดเขาถึงจะออกบวชได้ไปปฏิบัติธรรมได้นี่ตังหาคือเรื่องของการทำทานเข้าใจไหมเข้าใจมีใครอยากจะถามอีกไหม อ่ามาอจะขอเรียนท่านอยากจะขอเรียนท่านว่าการไหว้พระกับการไหว้เจ้าแล้วก็ขอพรต่างๆกับการปฏิบัตินี่อันไหนจะได้ผลดีต่อค่ ะ, ะการไหว้ไหว้พระไหว้เจ้าขอพรนี้ไม่ได้นะต้องปฏิบัติเพียงอย่างเดียวการไหว้พระนี้ก็เป็นเพียงแสดงความคารวะความเคารพนับถือจะไหว้พระไหว้เจ้าก็เป็นเพียงแต่ ให้ความเคารพ ก, กับผู้ที่เราคิดว่าเป็นผู้ที่สูงกว่าเราหรื อ, อมีคุณประโยชน์กับเราเช่นเราไหว้พ่อไหว้แม่อย่างนี้เป็นการให้ความเคารพแต่ไม่มีประโยชน์อะไรมากไปกว่า น, นั้นถ้าอยากจะได้ประโยชน์ทางด้านจิตใจก็ต้องปฏิบัติธรรมอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องปฏิบัติธรรมหมดแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา